การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุทำขั้นต่างๆเช่นขัน้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีหรือขั้นอรหรันจําเป็นจะต้องบวชหรือไม่แต่ไม่ได้บรรลุเพราะว่าบวชหรือไม่บวชบรรลุเพราะว่าอยู่บ้านหรืออยู่วัด อันนี้เป็นส่วนประกอบที่ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบหลักตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมได้หรือไม่นั้นคือการปฏิบัติทานได้หรือไม่ศีลได้หรือไม่สมาธิได้หรือไม่ปัญญาได้หรือไม่นี่ตัวเป็นตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้หรือไม่นั้น ก็คือเราทำทานได้หรือไม่ทานก็หมายถึงเราเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้หรือไม่หรือว่าเรายัางยังโลภยังอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ยังต้องอาศัยเงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่อันนี้ต้องละให้ได้ ต้องไม่หาความสุขจากเงินทองถ้าจําเป็นก็หาถ้าจาเป็นก็ใช้เงินทองเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเช่นถ้าเรายังไม่ได้บวชไม่มีคนใส่บาตรให้เรากินเนเราก็ต้องมีเงินเสื้ออาหารมีเงินจ่ายที่พักมีเงินจ่ายค่ายารักษาโรคมีเงิน ใจค่าเสื้อผ้าแต่มีไวเพียงเท่านี้มีไว้ใช้กับความจำเป็นคือปัจจัยสี่แต่จะไม่มีไว้สำหรับไปซื้อกาแฟมาดื่มซื้อขนมมากินหรือซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มาเล่นหรือไปเที่ยวตามศูนย์การค้าไปนั่ง ชมวิวตามร้านอาหารริมทะเลอะไรเหล่านี้มันต้องใช้เงินต้องเลิกใช้เงินแบบนี้ใช้เงินเฉพาะปัจจัยสี่เท่านั้นไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทอง <c oughs> แล้วไม่ต้องไปกินที่หรูหรูหราๆกินแถวบนตึกสูงบนท้องฟ้า กินที่บ้านกินที่เราปฏิบัติธรรมนั่นแหละอยู่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็กินที่บ้านอยู่ที่วัดก็กินที่วัดไม่ใช่เวลากินทีก็วันนี้ไปกินที่ไหนดีร้านอาหารไหนสวยร้านอาหารไหนอร่อยอย่างนี้ก็ต้องใช้เงินกินกินที่บ้านก็ทอดไข่เจียวหุงข้าวเสร็จแล้วกินอิ่ม อ, อดับความหิวได้ก็พอนี่คือความหมายของทานคือต้องไม่มีความโลภอยากได้เงินทองเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขชนิดต่างๆาตามจำเป็นจะต้องหาเงินทองก็หามาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองมาซื้อปัจจัยสี่ที่ขาดแคลน าขาดแคลนอาหารก็ซื้ออาหารขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องลุ่มห่มก็ซื้อเสื้อผ้าเครื่องลุ่งห่มขาดแคลนยารักษาโรคต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหรือถ้าเรามีบ้านของเราเองต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆอันนี้มีเงินทองไว้สําหรับใช้แค่นี้เองไม่ให้เอาไปใช้กับการไปเที่ยวตาม แหล an งบันเทิงต่างๆนามลงมหโสศต่างๆนี่คือคำว่าคำว่าทา น, น ไ, มไม่ไม่ต้องการมีเงินทองไม่ต้องการความล่ำรวยไม่ต้องการใช้เงินทองไว้ไปอวดคนนั้นอวดคนนี้ว่าฉันรวยอย่างนั้นฉันรวยอย่างนี้ฉันมีข้าวของเงินทอง มีรถยี่ห้อนั้นยีห่หนี้อันนี้ไม่ใช่นะคำว่าทานหมายถึงเลิกใช้เงินใช้ทองตัวอย่างของพระพุทธเจ้าของเราก็คือเนี่ยยเป็นราชโอรสก็สละไปหมดเลยสถานภาพของพระราชโอรสนี่คือการทำทานเต็มร้อยต้องทำแบบพระพุทธเจ้า ออกจากวังไปโดยไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเมีแต่ชุดของเจ้าชายที่สวมใส่ไปแต่พอไปกลางทางมีขอทานเห็นใส่ชุดสวยอยากจะได้ขอเปลี่ยน เ, เพราะองค์ก็ทรงเปลี่ยนยินดีจะได้สละได้เต็มร้อยเลยเหลือเพียงแค่ชุดเสื้อผ้าที่ใส่ไปเท่านั้นเองที่ยังเป็นของเจ้าชายอยู่ พอพบกับขอทานขอทานเห็นว่าสวยอยากได้ขอแรกอขอเปลี่ยนอวุทธเจ้าก็ดีใจเพราไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียดายเลยดีใจที่ได้เปลี่ยนได้ใส่ชุดของขอทานได้สละเต็มร้อยเลยสะละราชสมบัติได้ทาทานเต็มร้อยหมดเนื้อหมดตัวเนี่ ย, เ, ยเรียกว่าทำทานแบบหมดเนื้อหมดตัว ทรัพสมบัติเก้าของเงินทองมีเท่าไหร่ทิ้งให้คนอื่นไปหมดภาษาร า, ารดูทิ้งให้คนอื่นไปหมดเวลาไปก็มีมหาดเล็กตามไปส่งตามเสด็จส่งให้ขี่ม้าออกไปพอพ้นเขตเขตเมืองเขตแผ่นดินก็ลงจากม้าแล้วก็ให้เขาเอาม้ากลับคืนไป ไม่ขี่ต่อไปเดินไปตามลำพังคนเดียวนี่แหละคือทำทานทำแบบนี้ถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอาาริยต้องทำทานแบบนี้ต้องไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไปพร้อมที่จะอยู่แบบขอทาน แม้แต่ซับแม้แต่เสื้อผ้าก็เปลี่ยนใช่ขอทานเห็นเสื้อผ้าสวยก็เลยขอเปลี่ยนพ่อองค์ก็ทรงยินดีอยากจะได้เสื้อผ้าขอทานอยู่แล้วก็อยากจะเป็นขอทานมากก็อยากจะเป็นพระราชโอรสก็ยินดีเปลี่ยนทันทีนี่แหละความหมายของการทำทานร้อยเปอร์เซ็นต์ทำแบบนี้ สำหรับผู้ที่ยังทำไม่ได้ก็ก็ทำไปตามกำลังก่อนทำทีเพิ่มไปตามกำลังตอนนี้ตัดอะไรได้สละอะไรได้สลัไปก็ยิ่งมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องออกไปทำเข้าสังคมแล้วก็ให้คนที่เขายังเข้าสังคมไปใช้ดีกว่า เราก็ใช้เสื้อผ้าตามที่เราใช้กับการปฏิบัติธรรมของเราก็พอมีสักสองสามชุดก็พอแหละยิ่งมีน้อยยิ่งสบายไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นถ้ามีมากก็ต้องมาคอยรักษาต้องคอยซักคอยอะไร แต่ที่จะใส่วันละชุดอาจจะเปลี่ยนวันละสามชุดเนี่ยชุดนอนชุดกลางวันชุดกลางคืนแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ชุดเดียวยี่บสี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนสักครั้งหนึ่งอาบน้ำวันละครั้งก็พอเนี่ยพระปฏิบัตินีนท่านอาบน้ำแค่วันละครั้งนะนะอาบตอนที่ตอนบ่าย หลังจากที่สงหลังจากที่ทําภารกิจกวาดปัดกวาดลานวัดอะไรเรียบร้อยแล้วอดื่มน้าปานะอะไรเรียบร้อยแล้วก็แยกกันไปก็ไปที่อาบน้ำในวัดป่านี้ก็จะมีบอ่อน้ำเนี่ยปามักจะไปอาศัยไปตักน้ำจากบอ่อมาแล้วก็อาบอยู่ข้างบอ่อน้านั้นอาบเสร็จก็ซักผ้าไปในตัวซักผ้าที่เปลี่ยนเน พักซาักผ้าสบงซักผ้าอังสะเสร็จแล้วเนี่ยตอนอนาบน้ำหนเดียวก็พอแล้วก็กลับไปที่กุฏิเอาผ้าไปตากแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มเนี่ยนี่คือ การที่เราจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาต้องมีเวลาปฏิบัติต้องไม่มีของพลุงพลังให้เราต้องมาคอยดูแลรักษาแม้แต่การกินก็ให้กินหนเดียวจะได้ไม่เรื่องมากกินสองหนก็เรื่องสองหนกินสามหนก็มีเรื่องสามหนกินหนเดียวก็มีเรื่องหนเดียว นี wheels, creator, dijo, warrior, at, become, souls, ่คือเรื <ot> ่องของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องบวชหรือไม่บวชต้องอยู่วัดหรือไม่อยู่วัดอยู่ที่ว่ามีเวลาปฏิบัติหรือไม่หน้าที่ปฏิบัตินี้สงบหรือไม่ถ้าอยู่บ้านสงบกว่าอยู่วัดก็อยู่บ้านดีกว่าถ้าอยู่วัดสงบกว่าอยู่บ้านก็อยู่วัดดีกว่า ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวัดต้องเป็นบ้านเป็นที่ว่าสงบหรือไม่สงบสถานที่เราปฏิบัตินี้ต้องสงบต้องไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆอยู่กับวัดบางวัดนี่มีแต่งานทั้งวันงานศพงานอะไรเต็มไปหมดถ้าอยู่วัดแบบนั้นก็ปฏิบัติยาก พ่าไม่สงบถ้าอยู่บ้านคนเดียวกับสงบกว่าก็อยู่บ้านดีกว่าถ้าต้องไปอยู่วัดแบบวัดที่เขามีงานมีเมนมีงานอะไรต่างๆบางวัดก็มีหนังเข้าไปฉายด้วยมีมหโหสถมีอะไรเข้าไปบางทีเจ้าภาพจัดงานศพก็ อ, อยากจะเอาหนังมาเลี้ยงคนที่มา <c oughs> งาน ถ้าเป็นวัดแบบนี้ก็สู้ปฏิบัติที่บ้านดีกว่าถ้าบ้านสงบกว่าวัดก็ปฏิบัติที่บ้านถ้าวัดสงบกว่าที่บ้านก็ปฏิบัติที่วัดดีกว่าดะงนั้ น, อ ย, ยน อ, อย่าไปยึดติดกับคําว่าบ้านหรือวัดอย่าไปยึดติดกับคําว่าบวชหรือไม่บวชบางทีบวชแล้วก็ไม่มาปฏิบัติบวชแล้วก็มา แทนที่จะทําทานกลับมาขอทานขอเบย จ, จากนู่นเบยจากนี่ขอเบยจากสร้างซ่วมสร้างเมนสร้างกุฏิสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาซ่อมอีกอมาใช้ไปสักพักเดี๋ยวเสียก็ชำรุดอีกแล้ ว, ลลวมาขออีกแล้ว บางองค์มาบวชนี่ตั้งแต่บวชไปจนถึงวันตายมีแต่สร้างเห็นสร้างเรื่อยบาทีสร้างวัดนี้เสร็จมือคันก็ไปสร้างอีกวัดหนึ่งก็มีอันละมันอยู่เฉยๆไม่ได้กิเลสมันต้องมีอะไรทําก็เลยคิดว่าเป็นพระต้องมาสร้างวัดเนี่ยอคิดว่าสร้างวัดแล้วได้บุญนแต่ว่าได้บุญก็ได้แต่มันบุญน้อย บุญที่พระควรจะได้มันไม่ควรจะมาจากการมาสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆควรจะได้บุญจากการสร้างพระมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่พระที่สร้างกันทุกวันนี้นะสร้างกันใหญ่โตมาโหฬารแต่ละองค์นี่โอ้โหดี๋างนี้แข่งกันสร้างพระเนี่ยสร้างหลวงปู่สร้างหลวงตากันไม่ใช่นั้นก็สร้างเจดีกันอี๋ยวนี้เต็มไปหมดสร้างเจดีสร้างโบสถ์ สร้างพระองค์ใหญ่ๆหญ่ใช่ไหมองค์บ้เริ่มเทิมเลยไม่ใช่คำว่าสร้างพระนี้ไม่ได้สร้างพระพุทธรูปไม่ได้สร้างพระอิฐพระปูนให้มาสร้างพระอริยพระในใจสร้างพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์การจะสร้างพระอริยได้ เนี่ยต้องทำทานให้ได้ต้องเลิกหาเงินหาทองไม่ใช่ยังไปหาเงินหาทองไปเลี่ยรารของเงินคนนั้นของเงินคนนี้มาสร้างสิ่งนั้นมาสร้างสิ่งนี้อยู่ปล่อยให้เขาเสนอมาก็แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นขาดอะไรเขาเขาเข า, เขาหามาให้เองเนี่ยของต่างๆที่ญาติโยมใช้อยู่วันนี้ไม่ได้ขออะไรญาติโยมามาให้เอง มาแล้วไม่มีที่นั่งไม่มีเสือเขาก็ต้องซื้อมาเสือ่อมาเองไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรให้ใครเลยเนี่ยมาเนี่ยเรามาคนเดียวมาตัวเปล่าๆถึงเวลาเราก็มานั่งศาลามาพูดเนี่ยไ อ, อ้เบาเบื่นี่เขาก็หามาให้ไม่เคยไปขอใครเสื่อทั้งหลายที่ปูนั่งกันนี้ก็เอามากันอย่างเงี้ยเบื่เดี๋ยวนี้ก็มีเมือวันก่อนก็มีคนเอาเบื่อนั่งมาให้แปดสิบ เบาด้วยกันก็มีอยู่ในศาลาการอยากจะนั่งเบาก็นั่งได้การอยากจะนั่งเสื่อก็นั่งได้ไม่ได้ขอเลยมันมาเองน้ําด่งน้ําเดือนมันตู้แช่น้ํามันก็มาของมันเองเก้าองค์เก้าอี้นี้ไม่เคยไปขอซื้อมันมาเอง่ะถึงเวลาถ้าคนเขารู้ว่าจําเป็นขาดเหลืออะไรเขาหามาให้เองไม่ต้องไปขอแล้วมีแต่ต้องขอร้องอย่าอามามาก บางทีมันเกะกะไม่ใช่เลมันมากเกินไปไม่มีที่เก็บเนี่ยเจงพยายามไม่สร้างที่เก็บถ้าสร้างที่เก็บเดี๋ยวมันก็โลนเหนกเชื่อไหมเจงไม่สร้างเอาเท่าที่จำเป็นที่นี่เรียกว่าธรรมะจัดสรรให้ธรรมะเป็นผู้จัดสรรให้ธรรมะก็คือเหตุนี่เหตุผลคือธรรมะพอมีเหตุจำเป็นจะต้องมีมันมาเอง ไม่ต้องขออยู่ตามมีตามเกิดไปนะสบายจะได้มีเวลามาปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ไม่อย่างก็ต้องคอยไปหาของกันพอได้ของมาก็ต้องมาสร้างที่เก็บของอีกพอมีของเยอะเดี๋ยวก็มีคนมาขออีกเดี๋ยวก็มีแต่หามาแจากไปหามาแจากไปอยู่นั่นนะเลยไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมกัน ยังไม่ขอเนี่ยตั้งแต่บวชมานี้ไม่เคยขอนู่นขอนี่จากใครมาอยู่บนเขาใหม่ๆนี่ทางเดินมันไม่ได้เป็นปูนอย่างทั้งวันนีน้มันเป็นทางดินน่ทางดินเดินเวลาฝนตกนี่ดินมันเหนียวเกาะลงเท้าหนาเป็นนิ้วเลยแล้วดีไม่ดีก็เดินลื่นหกล้มกันก็มีคนเห็นก็เลยถามว่าท่านต้องการทําทางไหมย่ะ ทำได้ก็ดเีเขาก็เลยมาทําให้ทําทางเทปูนให้อะไรให้อตอนต้นกุฏิที่อยู่วันนี้ก็มีแทงน้ํากุฏิละแท้งเดียววันนี้ไม่มีน้ําปะปาไม่มีน้ําใช้สอยนอกจากรองน้ําฝนนี่ถ้าน้ําฝนรองได้แท้งเดียวใช้เยใช้ไม่กี่เดือนมันก็หมดะก็เลย คิดว่าควรจะมีสักสองสามแทงพราะคิดถท่านั้นมันมาเองคนนู้นคนนี้ก็แทงมาถอยพอได้ครบแล้วก็หายก็หยุดไปธรรมะจัดสรรให้เองไม่ต้องกังวลเทวดาเขาคอยเฝ้าดูอยู่รู้จักเทพบรรดาัหมเดี๋ยวเทวดาเขาไปกระซิบญาติโยมในฝันเองอะอ้าวจริงจริงอ่ะ ยังไม่ทันพูดเลยเอามาให้ล่ะ <c oughs> มีเทวดาไปบอกแนละ้ะยันอย่าไปยุ่งกับเรื่องวัตถุเข้าของมากเกินไปอยู่ตามมีตามเกิดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าตอนที่ปฏิบัติหกปีก็ไม่มีที่ท่านจะไปเลี่ยรารขอญาติโยมพี่น้องให้มาสร้างวัดสร้างกุฏิสร้างอะไรให้ท่านอยู่ตามป่าตามโคนไม้ ตัดสะลุก็ตัดสะลุตามใต้ต้นโพเห็นนะมมีแสดงธรรมข้างหน้าก็แสดงในสวนเนี่ยไม่ได้ไปสร้างที่แสดงธรรมเนี่ยเจอคนฟังที่ไหนก็แสดงมันตรงนั้นแหละไม่ต้องไปจัดที่แสดงธรรมไม่ต้องมีธรรมมาตมาตั้งไว้ให้แสดงธรรมมาตรนี่เป็นของธรรมชาติของที่สะดวกง่ายดาย พวกเรามันชอบมาทำให้มันวุ่นวายยุ่งยากกันไปเองแสดงธรรมนิดเดี๋ยวนี้ต้องมีธรร ม, มาทิ์ที่ตกแต่งด้วยลายวิจิตพิจดานณปิดทองลงรักอะไรต่างๆไม่ใช่หรอกของพวก น, นี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธเลยพวกเรามันมาประดิษฐ์ขึ้นมากันเองนั่นเอง ศาสนาพูดจริงๆนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของปกติไม่ได้เป็นเรื่องของการปรุงแต่งให้มันวิจิตพิสดารอะไรเลยถ้าจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุด้วยผลถ้าต้องการที่อยู่ก็มีอะไรมุงอะไรบางก็เสร็จแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นทำด้วยไม้สักทำด้วยกระเบื้องลายเผาอะไรต่าง มีหญ้ามุงก็มุงมันไปมีไม้อะไรก็ใช้มันไปตามมีตามเกิดไปขอให้มันใช้งานได้ก็พอแล้วก็ไม่มากพอเพียงจะได้ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาเวลามาสร้างพระในใจเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมกันไม่ใช่อยากจะเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต ก็ต้องเอาองค์ประกอบที่มาสร้างพระสิอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะสร้างให้เป็นพระขึ้นมาก็ทานศีลสมาธิปัญญานี่ต่างหากเหมือนกับเวลาเราจะสร้างศาลาหลังนี้เราก็ต้องไปเอาของประกอบเป็นหาเสาหาไม้หากระเบื้องหาสังกะสีมามุงมาบางังต้องมีวัสดุก่อสร้างถึงจะสามารถสร้างศาลาได้ ชั้นใดการจะสร้างพระอริยะก็ต้องมีวัสดุก่อสร้างในการสร้างพระอริยะนะ์วัสดุก่อสร้างที่จะสร้างให้พระอริยะเกิดขึ้นมาก็คือทานศีลสมาธิปัญญานี่เองนะหามาซิหาทานทำทานได้อะไรหนังได้หรืออย่างเสียสละได้หรื อ, อย่างไม่มีของไม่มีเงินทองมากกว่าความจำเป็นได้หรืออย่าง หรื อ, อยังต้องมีนู่นบีนี่ยังต้องใช้เงินใช้ทองพาไปเที่ยวที่นูน่นเที่ยวที่นี่ถ้าอย่างนี้มันก็ติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอยู่นั้นะแล้วมันจะเวลาไปสร้างพระได้อย่างไรขั้นต้นนี้ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปให้หมดนหลวงตาท่านก็เคยเขียนในปฏิปทาพระทุดงกรรมาฐาน เล่าประวัติของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหนวงปู่มั่นท่านก็เป็นสามีภรรยามีภรรยาไม่มีลูกเป็นคนมีฐานะเป็นชาวนาชาวไร่แต่มีฐานะมีไร่มีนามีวัวมีควายมีบ้านมีอะไรอยู่สุขสบายแต่ชอบปฏิบัติธรรมชอบไปวันจนถึงเวลาที่อยากจะออกบวช ก็สละหมดเลยประกาศบอกชาวบ้านใครอยากได้อะไรมาขอได้ใครต้องการไม่มีวัวไม่มีควายมาข อ, อาไปได้ใครไม่มใีใครไม่มีที่ทำกินไม่มีไร่มีนาข อ, อาไปได้ใครไม่มีบ้านอยู่ขอให้ไปเขาสามีภรรยาเขาไม่เอาแล้วสมบัติเหล่านี้เขาจะไปสร้างพระแล้วเขาจะไปบวช สามีก็ไปบวชเป็นพระภรรยาก็ไปบวชเป็นชีแล้วสามีก็ไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นไปปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่นจนได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมานี่แหละคือการเป็นพระถ้าอยากจะบรรลุทำขั้นต่างๆดูประวัติของพระที่ท่านบรรลุแต่ว่าท่านบรรลุกันอย่างไรก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระ อริยะท่านก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละเป็นคนมีบ้านมีช่องเป็นผู้ครองเรือนมีครอบครัวมีบุตรมีทิดามีสามีมีภรรยากันทั้งนั้นท่านก็ต้องสละของเหล่านี้ไปให้หมดถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยะเพราะพระอริยะไม่ต้องการมีอะไรไม่ต้องการมีครอบครัวไม่ต้องการมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ต้องการมีบ้านใหญ่โตปราสาทสามฤดูเนี่ยของพวกนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติของพระอริยเจ้าสมบัติของพระอริยเจ้าก็คือความว่างว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากลาบยศสารเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพต่างๆว่างจากสถานที่สถานที่ที่ไปอยู่ก็ว่างไม่มีอะไร นะเป็นที่เขาสร้างพระอริยากันพระอริย์เกือบทุกรูปเนี่ยใบบรรลุธรรมกันในป่าในเขาทั้งนั้นมีบ้างเป็นกรณีพิเศษที่บรรลุธรรมในบ้านในเมืองซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีบุญเก่ามามากก็ได้บรรลุตั้งแต่ยังเป็นคาววะก็มีบางคนได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงคำสองคำ ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ก็มีแต่นี่เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไปมีน้อยมากที่จะเป็นคารวะแล้วบรรลุได้นแต่ก็มีพ่อของพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้เจ็ดวันก่อนตายนนั่นก็เป็นเพราะมีพระพุทธเจ้าไปสอนนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้ ต้องมีคนนําทางเพราะคนที่ยังไม่เป็นพระอริยนี้เป็นเหมือนคนตาบอดคนที่ตาบอดจะนานาทางตัวเองนั้นไม่ได้มองไม่เห็นทางทางสู่การหลุดพ้นทางสู่การเป็นพระอริยนี้ต้องมีพระอริยเป็นผู้นําทางนอกจากเป็นกรณีพิเศษมีคนเดียวที่ ทำหาทางได้เองก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่นอกนั้นแล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีความสามารถพอที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นาทางก่อนพอพระพุทธเจ้าตัดสู้นปับน๊บพอไปแสดงทาให้ปัญจวัคคีย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่เคยติดตามห้ารูปนีย พอแสดงธรรมสองสามครั้งบรรลุปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทันทีห้ารูปมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกหรูปด้วยกันคือหนึ่งพระพุทธเจ้าแล้วก็พระปัญจวัคคีย์แสดงธรรมครั้งแรกาหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาก่อนพระอัญญาณโกนทัญญาเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาเป็นการกระทำให้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมาคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์นั่นเองมีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็มีผู้ที่ฟังธรรมบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาเป็นพระโสดาบันก็เลยทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ไหนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นั่นก็มีพระพุทธศาสนานั่นเองพระพุทธศาสนาของพวกเราอยู่กันมาได้ทุกวันนี้เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ถือว่าขาดเพราะมีพระธรรมพระสงฆ์ทำหน้าที่แทนกันได้นี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตร ถ้าไม่มีพระพุทธรธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเพียงแต่เปลือกของศาสนาเช่นมีวัดวาอารามต่างๆแต่ไม่มีพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เลยก็ไม่มีใครที่จะสามารถบรรลุปเป็นพระอริยะได้เพราะไม่มีใครสั่งใครสอนไม่มีใครบอกทางนั่นเอง เพราะธรรมดาคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้สอนเป็นผู้บอกวิธีที่จะทำให้บรรลุเป็นพระอริยะขึ้นมาอย่างนั้นนี่แหละคือคำตอบมักจะถามกันเรว่าบรรลุธรรมที่บ้านได้หรือไม่บรรลุ ได้ถ้ามีถ้าทาทานศีลสมาธิปัญญาได้ก็บรรลุได้ที่ไหนก็บรรลุได้ถ้าไม่มีทานศีลสมาธิปัญญาที่ไหนก็บรรลุไม่ได้อยู่ในป่าในเขาก็บรรลุไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองผ้าขาวก็บรรลุไม่ได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญา ยา น, นตัวสําคัญของการบรรลุธรรมนี้อยู่ที่การปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาส่วนที่อยู่นี่เป็นเพียงแต่เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้ง่ายหรือยากได้หรือทําให้เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าไปปฏิบัติที่วุ่นวายไม่สงบนี้ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไปอยู่ที่สงบแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่อย่างเดียวถ้าอยู่ที่อย่างเดียวพวกพวกลิงข้างมันก็บรรลุกันหมดแั้วนี่ใช่ไหมพวกสัตว์ที่มันอยู่ในป่านี่เต็มไปหมดเนี่ยอยู่ที่สงบแต่มันไม่บรรลุกันเพราะมันไม่รู้วิธีบรรลุว่าบรรลุยังไง มันไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่านี้มันไม่มีทานะมันมีแต่แก่งแย่งกันแย่งกันกัดกันกินกันเนี่ยมันไม่มีทานไม่มีเออใครอยากจะกินของกูมาเอาไปเลยไม่มีมีแต่มีก็ต้องเอาไปหลบเอาไปเอาไปซ่อนไว้ใช่ไมสัตว์พอมันมีอาหารมันก็หาที่หลบที่ซ่อนไม่เอามาแจกจ่ายกันแล้วมันก็จะไปแย่งของคนอื่น ถ้าเป็นที่สงบเลบรรุได้เงี้ยพวกสัตว์ต่างๆมันก็บรรลุได้หมดแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ว่าจะบวชหรือไม่บวชบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ไม่บวชแต่ปฏิบัติกับได้คารวะบางคนนี่มีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็บรรลุได้เงีงั้นข้อสรุปก็คือตัวที่จะทำให้บรรลุ ที่จำเป็นจะต้องมีจริงๆก็คือมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือไม่นอันนี้แหละเป็นตัวที่จะทาให้บรรลุธรรมได้หรือไม่ส่วนจะบรรลุที่ไหนก็มันแล้วแต่ว่ามันมันหาที่ที่เหมาะสมได้หรือไม่ที่ทำให้บรรลุได้ง่ายได้เร็วหรือไม่ถ้าที่มันสงบเงียบ ไม่มีอะไรมาลบกวนใจมันก็ทำให้การปฏิบัติไปอย่างราบลื่นเหมือนขับรถบนทางด่วนนะขับครับขับครับถใต้ทาง ด, วด่วนนี้อันไหนจะไปเร็วกว่ากันทางด่วนนี้มันเป็นทางที่ไม่มีสีแยกไฟแดงไม่มีรถวิ่งตัดกันขวางกันแต่ถ้าขับรถอยู่ใต้ทาง ด, วด่วนนี้เดี๋ยวก็เจอไฟแดงเดี๋ยวก็ รถเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายต้องรอกันไปรอกันมา mm. อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตของคารวาดชีวิตของผู้ครองเรือนก็มีเรื่องมากมายที่จะต้องคอยดูแลคอยจัดการจัดการเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องบุรเรื่องทิดาเรื่องการงานทำมาหากินเรื่องทุระอะไรต่างๆแล้วไหนยังต้องเรื่องญาติพี่น้องอีก เดี๋ยวพ่อมั่งแม่บั่งเดี๋ยวปู่อ้าปู่ย่าตายายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรก็ต้องไปดูแลกันไม่ดูแลก็หาว่าไม่เดี๋ยวแลทั้งทั้งที่เ็าไปดูเฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างน้อยไปก็เห็นหน้าหน่อยว่ามาแล้วน ะ, ะขอให้หายเร็วๆนะแล้วก็ขอกลับละนี่ก็มันมีเรื่องมีราวที่จะทำให ไม่ให้มีเวลาไปปฏิบัตินั่นเองดั mm hmm. งนั้นถ้าอยากจะไปให้ถึงฝั่งนี่มันต้องตัดไอของพลุงพลังต่างๆที่คอยผูกให้เราติดอยู่เห็นไหมพระพุทธเจ้าเจ้าชายเสียทธธัศนะพอได้ข่าวว่ามีลูกทัานนั้นร้องจักขึ้นมาเลยโอ้ยบ่วงลาหุน่นร้องขึ้นมาลาหุ่นมาแล้ว เขาก็คิว่าท่านตั้งชื่อให้ลูกเลยไปตั้งชื่อลูกว่าลาหุนความจริงคําว่าลาหุนแปลว่าบ่วงบ่วงรัดใจให้ของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยบ่วงมาแล้วถ้าไม่รีบไปไม่รีบไปเดี๋ยวบ่วงมันจะมารัดใจอ๋ถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวไปเห็นหน้าลูกไปเลี้ยงลูกโอ้ยมันน่ารักไหมไปเอลูกมีเด็กเล็กๆเนี่ยเห็นแล้วแหมมันรักมันสงสารมันเมตตาขึ้นมา มันเลยทิ้งลูกไม่ได้นะสิท่านถึงบอกว่าราหุนคำว่าราหุนแปลว่าบ่วงอมหาหัตเล็กมันก็คิดว่าท่านสั่งตั้งชื่อว่าราหุนก็เลยไปกราบทูลพระมเหสีว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ตั้งชื่อลูกแล้วพอได้ข่าวว่ามีลูกท่านก็ร้องราหุนขึ้นมาเลยเขาก็เลยคิดว่าท่านสั่งให้ตั้งชื่อราหุน ลูกก็เลยเป็นพราะลาหุนขึ้นมาชื่อพระราหุนขึ้นมาแต่ความหมายก็คือมันเป็นบ่วงแล้วมาบ่วงรัดใจเนี่ ย, ยทรัพสมบัติก็เป็นบ่วงเหมือนกันมีทรัพย์แล้วเป็นไงห่วงไหมห่วงไหเสียดายไ้ยทิ้งได้ไมไ้ยสละได้ไั้มไม่ได้หรอกถึงแม้ไม่ใช้ก็ไม่อยากให้ใครใช่ั้มไม่ใช้ก็ขอเก็บไว้อย่างนี้แหละ เ, เพื่อ เผ่อจะได้ใช้เผื่อวันไหนไม่มีจะได้ใช้แต่มันก็ไม่ได้ใช้ล่ะถ้าไม่ได้ใช้วันนี้มันก็ไม่ได้ใช้ล่ะแต่มันก็ต้องมีไว้เพราะมันหวงมันหวง mm hmm. นี่แหละคือบ่วงจึงน้องทาทานทานนี้เป็นเหมือนเชือกมาตัดบ่วงตัดบ่วงให้เราให้ใจของเราหลุดออกจากบ่วงของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของคนนั้นคนนี้ ญาติพี่น้องทั้งหลายสามีภรรยาบุตรธิดาเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เป็นการสละต้องสละให้หมดถึงจะได้มีเวลาไปรักษาศีลได้ถึงจะได้มีเวลาไปฝึกสมาธิได้ถึงจะได้มีเวลาไปเจริญปัญญาได้ขั้นต้นต้องผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนคือขั้นทาน ทานไม่ใช่อย่างที่พวกเราทํากันเนียมวันนี้มาถวายสังฆทา น, นอันนี้จิบจ้อยนี่อันนี้เป็นเพียงน้ําจิ้ม <c oughs> ยังไม่ได้เทหมดทั้งขวด เ, อเทเออกมาเพียงใส่มาใส่ถ้วยมาจิ้มกินนั่นเองมันต้องเททิ้งทั้งขวดไปเลยเออมีอะไรทรัพย์สมบัติอะไรเงินทองทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็ไปอยู่แบบขอทานให้ได้ คนจะเป็นพระอริยะเจ้าได้ต้องเป็นขอทานก่อนเป็นขอทานให้ได้ถ้ายังเป็นขอทานไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าไม่ได้เพราะถ้าเป็นขอทานแล้วมันจะปงง่องได้ง่ายขอทานเขาอยู่แบบสบายใจเขาไม่เครียดกับชีวิตของเขาเท่าไหร่เขาจะตายเมื่อไหร่เขาก็ไม่ค่อยรู้สึกทุกข์เท่าไหร่เพราะเขาไม่มีอะไรจะทุกข์แล้ว นแต่ถ้าเป็นเศรษฐีจะตายเนี่ยโอย้ทุกข์มากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องจากมันไปเนี่ยเสียไดยแต่ถ้าเป็นขอทานมันไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเนี่ยมันก็มีแค่ลมหายใจเนทะ่านั้นที่จะเสียเนี่ยคนที่เป็นขอทานจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ง่ายเพราะไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องห่วง เหลือเพียงแต่ร่างกายนั้นนะที่ยังห่วงยังหวงอยู่ถ้าเป็นขอทานนะบ้านก็ไม่มีแล้วสมบัติก็ไม่มีแล้วครอบครัวก็ไม่มีแล้วลูกก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องมาตัดนะตัดไปหมดนะเหลือเพียงแต่ร่างกายนี้เท่านั้นเองร่างกายนี้จะตัดก็ต้องนี่แหละก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาถึงจะมีกาลัง สมาธิจะเป็นตัวให้กำลังปัญญาจะเป็นตัวมีดที่จะมาตัดบ่วงที่ผูกใจที่ผูกใจติดไว้กับร่างกายนี้ยึ่งต้องมาปฏิบัติสมาธิกันถึงแม้ตอนนี้จะรู้ว่าร่างกายจะต้องตายก็ยังไม่ยอมไม่มันตายยังไม่อยากให้มันตายยังกลัวตายอยู่นั่นแหละทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันต้องตายแต่มันก็ทำใจไม่ได้ ไม่มีกําลังที่จะทจําใจเนี่ยถึงต้องมาฝึกสมาธิกันถ้ามีสมาธิแล้วเราทําใจได้แล้วเวลาทําสมาธิก็เพื่อถอนใจออกจากร่างกายชั่วข่าวนั่นเองอเวลาเราฝึกสมาธิเราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่เรากําลังดึงใจออกจากร่างกายใจเรามาเกาะติดกับร่างกายผ่านทางสายวิญญาณเนี่ย วิญญาณนี้เป็นเหมือนสายสายที่เราเสียบหูฟังกับเครื่องเนี่ยเวลาเราจะใช้หูฟังฟังนี่เราต้องมีสายแล้วก็ไปเสียบไว้กับเครื่องอเพื่อจะได้เชื่อมอเสียงที่ออกมาจากเครื่องให้เข้ามาที่หูฟังชั้นใดใจก็มีสายของดวงวิญญาณเนี่ยก็เรียกวิญญาณในขันห้ามีอยู่ห้าเส้นด้วยกัน ที่มาเสียบที่ตาเสียบที่หูเสียบที่เดินเสียบที่จมูกเสียบที่ร่างกายที่เรารับอะไรรู้อะไรต่างๆนี่เพราะเรามีวิญญาณห้านี่เราเห็นภาพเรารู้ภาพได้ก็เพราะเรามีวิญญาณรับรู้ตามันไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรภาพมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพอะไรแต่ใจนี่แหละเป็นผู้รู้ว่าเป็นภาพอะไร เป็นเสียงอะไรแล้วจะรับรู้ได้พ่ามีภาพมีเสียงก็ต้องมีตาไปไปเก็บภาพมาเหมือนมีกล้องไปเก็บภาพมาแล้วก็ต้องมีวิญญาณไปรับภาพมาจากกล้องอีกทีหนึ่งไปรับภาพมาจากตาอีกทีนึงมาถึงใจผู้รู้ได้ให้ใจผู้รู้ให้รู้ว่านี่มีภาพปรากฏขึ้นมาแล้วนะ พอมีภาพปรากฏขึ้นมาผู้รู้ก็ใช้ใช้สัญญามาตรวจดูว่า เ, าเคยเห็นภาพนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าเคยเห็นมาก่อนก็จะจำได้ว่อ๋อคนนี้เคยเห็นแล้วชื่อในแดงชื่อในดำเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นคนที่จ้าเงินมาให้เราพอเป็นเจ้าหนี้นี่ก็เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแล้ว มันจะมาทวงเงินอราเถ้าเป็นคนที่เคยเอาเงินมาให้ก็มีคนเอาเงินมาให้อีกแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างกันมาพอเห็นเจ้านี่ก็เกิดทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นคนที่เคยเอาเงินมาให้ก็ดีใจขึ้นมานี่แหละคือใจที่ส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกเล่นกายถ้าไม่มีวิญญาณมาเกาะนี่ เช่นตอนนอนหลับนี่ตอนวิญญาณพักทำงานชั่วคราวตอนที่เรานอ น, อนหลับนี่มันใจเราจะไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมกูกเล่นกายตอนนั้นเหมือนกับเราถอนปลั๊กออกชั่วคราวถอนปลั๊กออกจากที่เสียหูฟังพอถอนออกแล้วเสียงก็ไม่เข้ามาที่หูแล้วไม่เข้ามาที่หูฟังแล้ว เนี่ยตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เรานั่งสมาธินี้ก็เป็นเหมือนตอนที่ร่างกายถอดปลักออกตอนที่ใจถอดปลักออกจากออกจากร่างกายออกจากทวารทั้งห้าหรืออายตนะทั้งห้าคือตาหูจมูกนิ้นกายวิญญาณหยุดทำงานชั่วคราวไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายใช่ไหมเวลานอนหลับเรารับรู้เปล่า ไม่รู้อะไรบางทีคนตะโกนเรียกยังไม่ได้ยินเลยต้องมาเขย่าตัวแรงๆถึงจะเริ่มรู้สึกตัวนั่นแ่ะตอนนั้นเป็นตอนที่ใจเราวิญญาณของเราพักทํางานชั่วคราวไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกมนิ้วกายเพราะไม่มีสติตัวที่รับรู้ไปรับรู้ส่วนเวลาเรานั่งสมาธินี้ก็เหมือนกัน เราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธใช้สติถอดปลักหนึ่งใจให้ออกจากร่างกายไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายให้รับรู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปนีการที่เราท่องพุโทโธพุธโทโธนี้เป็นการถอดปลักถอดวิญญาณออกจากตาหูจมูกลิ้นกายถอดจกักขุวิญญาณออกจากตา ถอดโสตะวิญญาณออกจากหู <c oughs> ถ้าเราทำสำเร็จจิตก็จะสงบร่างกายก็จะหายไปจากความรับรู้ของใจชั่วคราวนี่แหละคือการทำสมาธิใจจะสงบได้ใจจ้องพักการรับรู้เรื่องราวทางตาหูจมูกลิ้นกายพักการคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆการจะทำให้มันหยุดคิดได้หยุดรับรู้ สิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ต้องมีสติดึงใจออกจากสิ่งต่างๆออกจากรูปเสียงกลิ่นรสออกจากตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการใช้กรรมาฐานคือพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าพุทธานุสติหรือถ้าดูลมหายใจก็เรียกว่าอนาปนาสติใจเราต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพื่อที่จะได้ถอดถอนวิญญาณออกจากตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อใจจะได้รวมเป็นสมาธินะเพื่อใจจะได้มีกําลังปล่อยวางร่างกายไดนะ้นี่คือวิธีปล่อยวางร่างกายนะต้องใช้สติถอนใจออกจากร่างกายนะถ้าถอนได้แล้วต่อไปเวลาร่างกายจะตายก็ถอนมัน ไม่ก่อยความรู้สึกทุกข์ทรมาร์ตัอย่างใดเพราะรู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ใจทุกข์เพราะใจหลงใจยึดติดกับร่างกายใจไม่ยอมให้ร่างกายตายความอยากไม่ให้ร่างกายตายเนี้ยเป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมาร์ตให้กับใจแต่พอเรามาศึกษาธรรมะได้ปัญญาของพระพุทธเจ้า ที่สอนว่าใจนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ทรมานกับความตายความเจ็บของร่างกายก็คือให้ทำใจเฉยๆใ ห, ให้ปล่อยวางให้ถอนใจออกจากร่างกายด้วยการใช้สติดึงใจ ให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้พอใจสักแต่ว่ารู้รู้ว่าร่างกายเจ็บรู้ว่าร่างกายจะตายก็รู้เฉยๆไปถ้ารู้เฉยๆแล้วความทุกข์จะไม่เกิดในใจที่เกิดความทุกข์เพราะไม่ยอมรู้เฉยๆรู้แล้วกลัวรู้แล้วอยากกลัวกลัวจะตายไม่อยากตาย อยากอยู่เนี่ยสองตัวเนี่ยตัวอยากอยู่กับตัวอยากไม่ตายเนี่ยที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับคนเราเวลาที่เจ็บหรือเวลาที่จะตายกันถ้าเรามาฝึกสมาธิทำใจให้เฉยๆได้เวลาเจ็บก็ทำใจเฉยๆรู้ว่ามันเจ็บเวลามันจะสิ้นลมมันจะตายก็รู้ว่ามันจะสิ้นลมทำใจให้เฉยๆให้ได้ ให้ดูว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายมันจะต้องตายเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดานะให้คิดอย่างนี้เรียกว่าปัญญาพอเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะได้รู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้เราต้องเฉยปล่อยมันไปเพราะถ้าไม่เฉยแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ ถ้าอยากให้มันไม่ตายอยากให้มันไม่เจ็บมันจะทำให้ใจทุกข์มากถ้าเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ถ้ามันไมหน่หยุดความเจ็บไม่ได้หยุดความตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปถ้าเราทำใจเฉยๆเท่ากับเราถอดถอดใจออกจากร่างกายไม่สนใจกับเรื่องของร่างกาย ร่างกายจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็เป็นเรื่องของร่างกายไปถ้าทำอย่างนี้ได้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไดเนี่ยพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้คือการไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานั่นเองร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อย่าไปฝืนมันอย่าไปเหนี่ยวรั้งมันไว้เพราะฝืนไม่ได้เหนี่ยวรั้งไม่ได้จะได้แต่ความทุกข์ทรมานใจเวลาไปฝืนเวลาไปอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายการที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องทำจิตให้สงบนั่นเองต้องมีสติพุทโธพุทโธดึงใจเอาไว้อย่าให้มันสร้างความอยากขึ้นมาพอมันไม่สร้างความอยากขึ้นมามันเป็นอุเบกขา มันก็เฉยสบายกับความแก่กับความเจ็บกับความตายไปเนี่ยพอผ่านขั้นนี้ไปแล้วพระเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้ไม่กลัวละไม่กลัวความเจ็บความแก่ความตายของร่างกายร่างกายจะตายเมื่อไหร่เวลาไหนยินดีเสมอจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ยินดีเสมอพร้อมเสมอไม่เคยหวาดกลัวกับความเจ็บความตายความแก่กต่อไป พอรู้ว่าไม่ได้ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเนองแล้วไปทุกข์กับร่างกายทำไมทุกข์ก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทุกข์ก็ยังไม่ไปเปลี่ยนไปหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายไม่ได้อยู่ดีทุกข์ไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆเหมือนอยากจะได้อะไรไม่ได้ก็เอาค้อนมาทุบศีรษะแล้วทุบแล้วใครเจ็บลหรก็ศีรษะเจ็บเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่อยากได้อยู่ดี คนบางคนโกรธมากๆไม่รู้จะทําทอะไรทุบนั่นตีนู่นนําไปเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าโกรธเพราะคนนั้นไม่ทำอะไรให้เราเราก็เลยไปโกรธเขาไปโกรธเขานี่ไปทุบเขาไม่ได้ก็เลยไปทุบข้าวของแทนแล้วมันได้หละจากการไปทุบข้าวของมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี น, นั่นต้องทําวิธีเดียวนัคือทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิ ให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ไม่แคร์อยู่จะทำอะไรก็ทำไปอยู่จะตายก็ตายไปอยู่จะแก่ก็แก่ไปอยู่จะเจ็บก็เจ็บไปไอ้ไม่แคร์ไอ้เฉยได้ไอ้ปล่อยวางได้ไอ้มีสมาธิฉันมีสมาธิมีอุเบกขาฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่เราฉันรู้ว่าเราห้ามเธอไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ก็แค่นั้นเองก็จบต่อไปก็ไม่กลัวเรื่องของร่างกาย าะไม่ได้มองร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วใจนี่เป็นผู้มองร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแต่หลังจากได้พิจารณาโดยทำด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันใจเพียงแต่มาเกาะติดร่างกายผ่านทางสายวิญญาณ น, นี้เองพอเรานั่งสมาธิเราก็ถอนใจถอนสายวิญญาณออกจากร่างกายไป พอถอนออกไปเวลานั้นร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่รับรู้แล้วไม่สนใจเหมือนคนไข้ที่หมอผ่าตัดนี้เขาให้วางยาสลบแบบนั้นนะเน่ยเวลาสลบแล้วทีนี้หมอจะผ่าไงคนไข้ก็ไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันยาสลบมันอาจจะไปเป็นตัวที่ไปถอนความรับรู้ของทางร่างกายให้กับใจใจเลยไม่รับรู้เรื่องของร่างกายชั่วคราวนไม่มีสติ เหมือนคนนอนหลับไปนี่แหละคือการแยกร่างกายกับใจด้วยปัญญาด้วยสมาธิต้องมีสมาธิถึงจะทำใจให้เฉยได้ต้องมีปัญญาถึงจะปล่อยได้ต้องรู้ว่าต้องปล่อยต้องไม่ไปยุ่งกับร่างกายเมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยถ้ายัางทำได้อยู่ก็ทาไปถ้ายัางรักษาได้ก็รักษาไป แต่ถ้ารักษาไม่ได้ถ้าห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเท่านั้นเองถ้าปล่อยได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเป็นพระอริยะขึ้นมานี่แหละคือวิธีสร้างพระอริยะการที่จะบรรลุเป็นพระอริยะนี่ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นพระโสดาบรรก่อนต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เวทนาสัญญาสังขารก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วดับไปไปห้ามมันไม่ได้เวลาจะเจ็บมันก็ห้ามมันไม่ให้เจ็บไม่ได้เวลารล่างกายจะตายก็ไปห้ามมันให้ตายไม่ได้ก็ปล่อยมันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไปกลัวทำไมที่เรากลัวเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายกัน เราคิว่าพอร่างกายตายแล้วเราจะตายไปกับมันเราไม่ตายเรายังอยู่ต่อไปอยู่แบบไม่มีร่างกายก็อยู่แบบดวงวิญญาณ น, นี่จะอยู่แบบไหนอยู่แบบเทวดาหรืออยู่แบบเปรตก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ทำไวน้นั่นเองในช่วงที่ไม่มีร่างกายก็ต้องไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรต อยู่ที่บุญเมื่อที่บาปที่ทําเอาไว้เ yeah. แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนี่ก็จะไม่เป็นเป็นเปรตจะเป็นเทวดา uh huh. แล้วก็จะปฏิบัติธรรมต่อไปได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีร่างกายก็สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้อหรือ uh huh. ไม่เช่นนั้นก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก่อนแต่จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก uh huh. กลับมาคราวหน้าก็จะมา ตัดความอยากทางกามารมณ์พระโสดาบันนี่ยังตัดกามารมณ์ไม่ได้ยังมีความอยากมีแฟนอยู่ยังอยากหาความสุขจากแฟนอยู่ที้ต่อไปก็จะได้เห็นทุกเวลามีแฟนมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เวลาเวลาถูกใจกันก็สุขพอเวลาขัดใจกันก็ทุกข์เวลาอยู่ห่างกายกันก็เหงา นี่ก็เห็นโทษของการมีแฟนแล้วว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็อยากต้องไม่มีแฟนต้องไม่หาความสุขจากแฟนให้ไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนที่ที่อยากมีแฟนเพราะเห็นร่างกายของแฟนแล้วสวยงามน่ารักเหมือนตุ๊กตาน่ารักนี่เห็นแล้วก็อยากจะซื้อมา แต่ถ้ามองเข้าไปในในข้างในตัวตุ๊กตามันก็มีแต่นุ่นมีแต่ละยยัดอยู่ข้างในถ้ามองเข้าไปในร่างกายของคนก็มีแต่ตับไตไส้พุงมีแต่โครงกระดูกมีแต่เลือดมีแต่ของสปกปรกของเหม็นต่างๆถ้าเห็นส่วนไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทำให้ความอยากมีแฟนหายไปมันก็จะเลิกได้ ถ้าแล้วมีแฟนได้ก็เป็นพระอนาคามีได้เนี่ยขึ้นไปขั้นสูงไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆอยากขั้นอนาคามีก็ไปขั้นพระอาหารหันต์การพระอาหารหันต์ก็ต้องไปตัดความสุขที่ติดอยู่ในใจยังไปติดสุขในใจอยู่สุขในใจก็ไม่เที่ยงสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยถ้าไปติดสุขในใจเดี๋ยวเวลามันหมดไปมันกล า, ายเป็นทุกข์มันก็จะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมา ก็ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับใจก็ต้องตัดความอย่าไปติดกับความสุขในใจพอไม่ติดความสุขในใจเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันให้ทำใจเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างทำใจเฉยๆกับร่างกายของเราทำใจเฉยๆกับร่างกายของแฟน ทำใจเฉยๆกับความสุขในใจถ้าทำใจเฉยแสดงว่าปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดมันจะเกิดมันจะดับก็ไม่ทำให้ใจเสียอกเสียใจแต่อย่างใดในที่สุดก็จะบรรลุถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้นี่คือขั้นการที่จะทำให้เราบรรลุทำได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือศีลนี่ก็เป็น การทำให้เราไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นนั่นเองให้เรามีเวลามาเจริญสมาธิกับปัญญาเนี่ยตัวที่จะทําให้บรรลุจริงๆก็มีสองตัวนี้คือสมาธิและปัญญาตอนต้นก็มีสมาธิก่อนแล้วก็มีแล้วก็มาใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้แล้วก็ให้ปล่อยวางเพราะว่า มันไม่ได้เป็นสุขอย่างที่เราคิดมันมันเป็นสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวเวลามันเสื่อมหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์แต่เราไม่ไปติด ก, กับความสุขเราก็จะไม่ทุกข์เวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปนี่คือเรื่องของการที่อยากจะบรรลุธรรมเนี่ยต้องบรรลุด้วยทานศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่าจะต้องบวชหรือไม่บวชจะต้องอยู่วัดหรือไม่อยู่วัด อันนี้ก็มีส่วนสำคัญอยู่แต่ไม่ใช่เป็นส่วนที่สำคัญที่แท้จริงส่วนที่ต้องมีจริงๆก็ต้องทำทานได้หรือไม่จะอยู่แบบคนอยู่แบบขอทานได้หรือไม่สิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แบบสิ้นเนื้อประดาตัวได้หรือไม่ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนที่เสด็จออกจากวังไม่มีอะไรติดตัวไปเลยต้องอยู่แบบนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็รักษาศีลได้หรือเปล่า แล้วก็ฝึกสมาธิทาใจให้รวมเป็นฌานเป็นสมาธิได้หรือเปล่าแล้วมีปัญญามองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละถ้าทําได้ก็บรรลุไดน้นี่คือเรื่องราวของการบรรลุธรรมขั้นต่างๆต้องบรรลุด้วยทานศีลสมาธิปัญญาส่วนที่อยู่นั่นก็เป็นส่วนประกอบที่อาจจะทาให้ง่ายหรือยาก การบวชหรือไม่บวชนี่ก็เป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นตัวสำคัญที่จะต้องมีถึงจะบรรลุธรรมได้ตัวที่จะต้องมีที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ก็คือทำทานได้หรือเปล่ารักษาศีนดาหรือเปล่านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้หรือเปล่ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมได้หรือเปล่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าเห็นอริยสัจสีหรือเปล่า เท่านี้แหละถ้าได้ถ้ามีก็สามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกัปฏิ อจิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิตยโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติอารโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌานโตสัพพารโควินาสตุ มาเตภวะโตอันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีดิสษนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลั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 สามรอยิบเก้าคนครับวิทยาลัยสิบห้าคนครับผู้รับฟังบนเขาสี่สิบเอ็ดคนครับรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบคนครับพระอาจารย์ <Okay. S 2> คำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะขอโอกาสครับจิตที่มีสติปัญญาอัตโนมตัติแตกต่างกับปัญญาธรรมดาอย่างไรครับสาธุครับ อ, อ๋อไม่เผอไง ควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันได้ทุกเวลาให้สักแต่ว่ารู้อยู่ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตจะอยู่แต่ในปัจจุบันจะคิดแต่เรื่องที่สั่งให้คิดอย่างเดียวเรื่องที่ไม่สั่งให้คิดมันจะไม่ไปถ้าไปก็จะดึงมันกลับมาได้ทันที คำถามฝากถามเจ้าค่ะเคยนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงมาหลายเดือนแต่เมื่อตั้งใจจะนั่งให้เห็นเวทนาจึงนั่งได้ถึงสองชั่วโมงจนเจ็บปวดที่ขาก็พยายามพุทโธต่อจึงนั่งได้อีกประมาณ20สิบนาทีแต่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและเมื่อวานนั่งได้สามและสี่ชั่วโมงกลับรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยอยู่กับความสงบบ้างเล็กน้อย แต่ยังมีความคิดอยู่และจิตไม่รวมกลาบสอบถามว่าทำไมจึงไม่เจ็บปวดในเวลาเดิมและนั่งได้นานมากเจ้าคะก็แล้วแต่บางบางบา ง, บางทีมันก็เจ็บบางทีก็ไม่เจ็บท่านถึงได้ว่านิจังนะแม้่มันไม่เจ็บก็รู้ว่าไม่เจ็บถ้ามันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บก็สำคัญก็คือใจเราอย่าไปเดือดร้อนกับมัน มันเจ็บก็อย่าไปเดือดร้อนกับมันมันไม่เจ็บก็อย่าไปอยากให้มันเจ็บ <laughs> อย่าไปเดือดร้อนให้รู้ตามความเป็นจริงของความเจ็บความเจ็บก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ừ, อนิจจังก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนอนาตตาก็คือเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายเจ็บไม่ได้สั่งให้มันมาไม่ได้เัีนก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวาง คำถามจากคุณมาริวันค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะจิตผู้รู้หรือตัวรู้หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะก็รู้ไงที่รู้อยู่นี่ก็คือตัวจิตเนี่ยถ้าพูดแล้วไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าไม่มีจิตเหมือนคนนอนหลับคนตายนี่ไม่มีจิตไปพูดกับคนตายพูดเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกับมันเพราะมันไม่มีผู้รู้รับรู้อยู่ คำถามจากคุณแสงค่ะการที่ปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมฐานที่ว่าเข้าถึงฌานแล้วผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกอย่างไรครับสาธุครับก็มีความสุขได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขมากกว่าถูกอัลอัลีรางวัลที่หนึ่งพอได้ฌานแล้วทีนี้ไม่อยากจะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วอยากจะเข้าฌานแทนนี่คือความสุขของฌานเป็นอย่างนั้น เคกินกาแฟไคไปกินร้านอาหารไหนก็ไม่อยากไปนะเข้าสมาธิดีกว่ากินกินข้างถนนก็ได้กินให้มันอิ่มเท่านั้นส่วนจะได้ความสุขจากการกินนี่สู้เอาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องไปเสียเงินนั่งร้านหรูๆแต่งตัวสวยๆกว่าจะได้กินทั้งมื้อเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งเงินทองน่ต้องเสียเงินเสียทอง นั่งสมาธิเข้าชายไม่ต้องเสียอะไรเลย mm. แล้วได้ความสุขที่ดีกว่า mm. เหนือกว่า mm. ใครได้ความสุขจากนี้แล้วจะไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะจะไปอยู่วัดไปปฏิบัติไปเข้าฌานอย่างเดียวคำถามจากคุณรัชพลค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิทุกวนัน และเข้าสมาธิลึกได้ปกติเกือบเดือนละสองสามครั้งจะมีตกหลุมตกบ่อหลังจากนั้นจะไม่มีคือเข้าได้เลยนิ่งสงบเหมือนอยู่ในอวากาศนั่งจนเจอเวทนาก็สู้กันมาผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างทำจิตให้นิ่งสงบได้ไม่กระเพื้อมตามความปวดก็จะผ่านได้แม่จะไม่หายเลยก็ตามแต่ช่วงหลัง นั่งสมาธิสงบและนิ่งมากก็จะมีตกหลุมตกบ่ออีกซึ่งจะลึกวิวกว่าที่เคยเจอก่อนหน้านูน้นวิวจนเผลอตกใจเหมือนเบาเคว้งไปในอากาศทำให้เผอสติต้องถอนกลับมาเล็กน้อยจึงเรียนถามพระอาจารย์ว่าหลุมบ่อในสมาธิที่นิ่งสงบคืออะไรครับผมเจอมาสี่ห้าครั้งได้ครับก็คือสมาธิไง จิตเวลาจะเข้าสมาธิมันต้องเหมือนตกหลุมตกบ่อแต่สิ่งที่พูดอยู่นี้ขาดอย่างหนึ่งที่ไม่พูดก็คือความสุขแสดงว่ายังไม่สุขมั้งถ้ามันสุขแล้วมันจะอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเข้าฌานเพียงอย่างเดียว แล้วก็ถามต่อว่าและเจออีกควรปฏิบัติอย่างไรครับพระอาจารย์เพื่อความก้าวหน้าครับต้องเจอความสุขในสมาธิให้ได้ถ้ายังไม่เจอความสุขในสมาธิมันก็ยังไม่ติดอกติดใจแต่ถ้าได้เจอความสุขในสมาธิแล้วมันจะติดอกติดใจมันจะทิ้งสิ่งต่างๆไปได้หมดเลยที่อยากจะเอาแต่ความสุขจากสมาธิเท่านั้นความสุขจากคนนั้นคนนี้จากการกินการดูการฟังนี้จะไม่เอาแล้ สู้กันไม่ได้คนละระดับกันคำถามจากบนเขาเจ้าค่ะการทําการทําบุญศพให้คนตายควรทํากี่วันผู้ล่วงรับจะได้รับและรับรู้ในบุญคะหนึ่งวันสามวันห้าวันเจ็ดวันเจ้าค่ะทํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอยู่ที่ว่าเรามีกําลังจะทําได้มากน้อยก็ทําไปคนรับเขาก็จะได้รับมาก เหมือนกับเลี้ยงอาหารพระเนี่ยจะเลี้ยงกี่วันดีล่ะถ้าวันไหนไม่เลี้ยงพระก็อดเนี่ยคนศพก็เหมือนกับพระเนี่ยเขากินหากินเองไม่ได้เขาต้องรอบุญของเราอย่านถ้าเราคิดว่าเขาต้องอาศาัยบุญของเราเราอยากจะให้เขามีกินทุกวันเราก็ใส่บาตรไปทุกวันนทําบุญไปทุกวันอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาใส่บาตรเป็นประจําเขาถูกสอนมาว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ตายไปแล้วเขาก็ต้องมารอรับบุญของเราเขาก็เลยโชคดีมีวัดมีผ้าผ่านมาทุกวันเขาก็เลยใส่บาตรได้ทุกวันพอใส่บาตรเสร็จเขาก็อุทิศบุญไปเลยตอนนี้ไม่มีแล้วเจ้าค่ะไม่มีแล้วนะเมื่อวันก่อนมีญาติโยมคนหนึ่งเขาใส่บาตรให้คนตายพอครบร้อยวันเ็าบอกผมจะหยุดแล้ว อ่าแล้วถ้าเกิดถ้าหยุดแล้วพรุ่งนี้เขาจะกินอะไรนะเขาอะไรไม่หยุดเขาอะไรใส่ต่อ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ยังใส่อยู่วันนี้เจอเขาก็แย่เขาทุกวันวันนี้วันวันที่ร้อยแล้วเท่าไหร่แล้วร้อยี่สิบหรือยังร้อยสามสิบหรือยังอบางคนคิดว่าทําแค่ร้อยวันก็พอร้อยวันก็จบแล้วหลังจากนั้นแล้วเขาจะไปเอาที่ไหนกินนะเหมือนญาโยมใส่บาตรพรเอาใส่แค่ร้อยวันก็พอ หลังจากนั้นภาคก็ไปหากินที่อื่นนั่นเองเงินถ้าเราทำได้ก็ทำไปเถิดเนี่ยเพราะเราได้ด้วยเขาได้ด้วยไม่มีขาดทุนเพราะว่าบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราไปใช้ในต่างประเทศเนี่ยก่อนจะเราไปไปต่างประเทศนี้เราต้องแลกเงินก่อนนะใช่ไหมไปประเทศไหนเราก็ต้องเตรียมเงินของประเทศนั้นนะเดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปเราก็ไปโลกทิพย์กันละ ในโลกทิพย์เาไม่ใช้เงินที่เราใช้ในโลกนี้นะ เ, เขาใช้บุญเอเนี่ยเราต้องสะสมบุญไว้เยอะๆพอเวลาเราไปเราจะได้ไปอยู่โรงแรมห้าดาวได้ อ, อ, อยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดนะเฉนั้นอย่าอย่าหยุดทําบุญถ้าทําได้ทําไปถ้าไม่มีเงินทําบุญมีวิธีอื่นทําบุญได้ทําบุญด้วยร่างกับกำลังกายก็ได้ ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเก็บศพช่วยกวาดเนี่ยมาวัดเนี่ยมาญาติโยมมาช่วยกวาดลานวัดมาช่วยล้างห้องน้ําห้องส้วมเวลาเลิกก็ช่วยกันเก็บเสือ่อเก็บอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการทําบุญนะยั้นทําไปเถิดบุญเป็นของของเราเอาติดตัวไปกับเราได้เป็นที่พึ่งของเราเป็นเงินที่เราไปใช้ในโลกทิพย์ได้ เดาไปเป็นแบบขอทานเนี่ยที่เราต้องที่เราส่งบุญไปนี้เพราะเรากลัวว่าญาติพี่น้องเราว่าอาจจะไม่ได้ทําบุญกลัวเขาจะเป็นขอทานเลยเป็นห่วงเขาอืมแต่บางทีก็อาจจะเป็นเศรษฐีบุญก็ได้เราไม่รู้หรอกถ้าเขาถ้าเขาอยู่ตอนที่เขาอยู่เขาใส่บาตรทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นขอทานนะเขาสบายแล้วก็มีบุญติดตัวไป <c oughs> ยังไม่มีม อ, อ่ะมีแล้วจ้ะเข้ามาถามต่อ คำถามจากคุณดาด้าค่ะการมีปิติในสมาธิคือความสุขของสมาธิหรือยังเจ้าคะยังเหรอมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวคนลุกสู้แล้วเดี๋ยวก็หายไปมันยังต้องรองความสุขจากอุเบกขาสัคตว่วาร้นิ่งสงบเบาสบายอันนี้ต้องปฏิบัติต่อไปดูลมต่อไปพุทโธต่อไปอย่าเพิ่งหยุดนะ รไปเื่อ ย, อยคำถามจากคุณสุจิตราเจ้าค่ะตกหลุมตกบ่อในการเข้าสมาธิต้องเป็นทุกครั้งหรือไม่เจ้าคะไม่จาเป็นบางบางทีก็ตกหลุมตกบ่อบางทีก็ค่อยๆเรียบเข้าไปทีละขั้นเหมือนเดินลงบันไดแทนที่จะตกกระโดดจากตึกลงมาเลยก็เดินลงบันได แทนี่ลงลิฟต์ก็เดินบันไดแทนะถ้าลงแบบลิฟต์มันก็เหมือนตกหลุมตกบอ่อให้มาสังเกต ด, ดีเวลราเรานั่งลิฟต์เนี่ยเวลามันลงอแล้วก็นั่นแหละมันก็เป็นอาการลงได้สองแบบลงแบบขั้นบันไดก็มีลงทีละขั้นสงบทีละนิดทีละกึกทีละกึกลงไปก็มีบางทีก็ลงแบบวื้ลงไปเลยหนเดียวเอก็แล้วแต่อันนี้เราไปสั่งไม่ได้ เราสั่งได้เพียงแต่พุทโธให้ดูให้พุทโธไปให้ดูลมไปเท่านั้นแต่เวลามันจะลงแบบไหนนี่ก็ต้องเป็นเรื่องของมันลงแบบไหนก็ไม่สำคัญเพราะมันไปถึงจุดเดียวกันเดินลงจากเดินลงทางบันไดมันก็ถึงที่ชั้นล่างเหมือนกันเดินลงลิฟต์มันก็ถึงชั้นล่างเหมือนกันพอมันถึงนั้นมันก็ไม่สำคัญว่ามันมาแบบไหนลงมาแบบไหนขอให้มันลงก็แล้วกันขอให้มันสงบก็แล้วกัน คำถามจากคุณปฐมพงศ์ค่ะถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ท่องคําว่าพุทโธแบบนี้ได้หรือไม่ครับก็ไม่รู้นึกงไงนึกพระพุทธเจ้าถ้านึกแล้วหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้ถ้านึกแล้วจิตรวมเป็นสมาธิได้ก็ใช้ได้แต่ถ้านึกแล้วยังไม่รวมยังไม่หยุดความคิดก็ใช้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเน่ยหยุดตรงที่ว่ามันรวมหรือไม่รวมมันหยุดความคิดได้หรือไม่ได้ คำถามจากคุณอ้อยฟ้าใสาคะ่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันไหนหนักสุดคะอ๋อมันมาจากกายมาจากวัจีเอามาจากมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ต้องมีมโนกรรมเป็นผู้สั่งคือความคิดของเราก่อนที่จะมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนใช่ไหมวันนี้มาวัดดีไหม บอกคิดปั๊บก็วัดจีกรรมก็ตามมาโทรไปชวนเพื่อนหนูมาวัดไหม <laughs> วันนี้พี่จะมาวัดเนี่ยวัดจีกรรมก็เกิดละเพราเกิดก็ทําให้เกิดกุศลนะพอชวนคนมาวัดเนี่ยคนมาวัดพอรู้ว่าตอนต้นไม่มีเพื่อนมาก็ไม่อยากมาพอรู้มีเพื่อนมาก็อยากจะมาด้วยก็เลยได้มาทําบุญด้ว ย, ยแล้วก็ออกเดินทางก็เป็นกายกรรมเนี่ย แมันต้องบางทีต้องมิทำทั้งสามกรรมด้วยกันมันหนึงจะสําเร็จเกิดขึ้นประโยชน์ได้ตอนต้นต้องคิดก่อนคิดแล้วก็อาจจะพูดคุยชวนคนนั้นชวนคนนี้หรือไม่มีรถเองก็อาจจะต้องอพูดกับคนจ้างรถจองรถไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้จะมาที่นี่รถว่างไหมว่างอะไรว่าไปแล้วก็ถึงจะมีกายกรรมตามมาได้เดินทางมาวัดมาถึงวัดก็ได้เอาเข้าวเอาของมาถวายมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ย อันนี้ก็เกิดงั้นจะไปยากว่าตัวไหนใหญ่กว่ากันไม่ได้แร้วมันเป็นทีมเข้าใจไหมเป็นทีมหัวหน้าทีมก็คือมโนกรรมวจีกรรมกับกายกรรมนี้ต้องรอให้หัวหน้าเหมือนหัวหน้าวงเใช่ไหมวงดนตรีนี่ถ้าหัวหน้าวงไม่สั่งให้เล่นมันไม่เล่นอ่ะมันนั่งรอยืนอยู่นั่นอ่ะนั่งรอดูว่าหัวหน้าวงจะสั่งให้เล่นเมื่อไหร่ ภาวนาวงยกมือขึ้นปับ๊บเสียงดนตรีก็ดังตามมาทันทียังนต้องมีมโนกรรมก่อนต้องคิดก่อนคิดแล้วถึงจะพูดถึงจะทำตามได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะรู้ว่าใจมันว่างรู้แต่อยากไปทำแต่ความดีพอทำแล้วสุขใจมากเกิดขึ้นภายในรับรู้ได้ค่ะเกิดจากผลที่เราได้รับใช่หรือไม่เจ้าค่ะ ไม่เข้าใจความหมายเกิดจากความที่เราไปทําความดีนะนะั่นแหละพอทําความดีมันก็เกิดความสุขขึ้นมาถ้าไม่ทําความดีมันก็จะรู้สึกเฉยๆจืดชืดนะไม่มีชีวิตชีวาพอไปได้ทําความดีมันก็เกิดเป็นความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาคําถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งคะ่ะการตัดพวังในสมาธิทําได้อย่างทําได้หรือไม่อย่างไรครับ ก็สมาธิเป็นภวังไม่ตัดมันทำไมเรานั่งสมาธิก็เพื่อเข้าเข้าผวังสมาธิวิธีตัดก็อย่าไปนั่งมันด้อย่าไปพุโทโธอย่าไปดูลมมันก็ไม่เข้าสภาวังแล้วถ้าเข้าแล้วไปดึงมันออกทำไมเข้าเพื่อที่จะให้มันไปมีความสุข เหมือนไปไปไปไปดูละครพอไปถึงโรงละครแล้วก็เดินออกจากโรงเงี้ยไปทําไม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปก็เพื่อไปนั่งดูละครเนี่ยดูจนกว่าละครมันจะจบถึงจะออกจากโรงอันนี้ก็เหมือนกันพอเข้าผวังสมาธที่เราไปตัดผวังสมาธิทําไมนั่งก็เพื่อให้มันสงบให้มันมีความสุข <c oughs> คำถามจากคุณมาริวันค่ะมีความทรงจําที่ไม่ดียังติดตาฝังใจหนูอยากพ้นทุกข์ควรทําอย่างไรได้เจ้าคะอย่าไปอยากให้มันพ้นทุกข์แบบนี้อย่าไปอยากให้ความทรงจําหายไปมันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้งั้นมันจะมาก็ให้มันมาเพียงแต่เราอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองวิธีไม่สนใจมันก็คือพุโทโธไป เวลามันไปคิดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบคิดแล้วก็พุทโธพุทโธไปแต่เราไปอยากให้มันไม่มาไม่ได้ยิ่งอยากมันยิ่งเครียดเนี่ยนั้นอย่าไปอยากมันจะทําให้เราทุกข์ที่เราทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันมาอถ้าปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปมันเราจะไม่ทุกข์วิธีมันมาแล้วมันทําให้เราเครียดเราก็พุทโธพุทโธไปพอเราอยู่กับพุทโธสักพักเดี๋ยวเราก็ลืมมันไปเองมันก็ไม่มันก็หายไป คำถามจากคุณดาดาค่ะเคยทําสมาธิแล้วเหมือนตกเข้าไปในผวังเหมือนอยู่ในห้องมืดแล้วนิ่งมากแต่มีสติอยู่ตลอดเป็นสมาธิแบบไหนคะพระอาจารย์เคยได้ครั้งเดียวแล้วอยู่สักพักก็ตกใจถอนออกมาเจ้าค่ะคงจะเป็นคณิกะมั้งถ้านั่งได้นานก็เป็นอัปปนาถ้าสงบเดี๋ยวเดียวก็เป็นคณิกะ คำถามจากคุณพัฒนิต์ค่ะจะมีอาการขนลุกสู้ซ่าอยู่บ่อยไม่ว่าจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆได้ยินท ร, ร ม, มะหรือใครพูดอะไรก็จะขนลุกแต่เวลานั่งสมาธิไม่เคยขนลุกเลยเจ้าค่ะทําไมเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะก็เพราะว่ายังไม่เจอยังมันยังไม่ถึงต่ําของความรู้สึกนั้นนองนั่งสมาธิยังไม่ได้ถึงจุดที่จะทําทให้เกิดขนลุกมันก็ยังไม่เกิดนนะ แต่อย่างอื่นนี้มันอาจจะถึงเร็วกว่าได้ยินเสียงได้เห็นสิ่งที่เราชอบขนลุกซาขึ้นมาได้แต่การที่จะให้ขนลุกซาจากสมาธิเราอาจจะยังนั่งไม่ถึงจุดนั้นก็ได้ก็ต้องนั่งต่อไปพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่เกิดขนลุกก็ได้อย่าไปคิดว่าจาเป็นจะต้องให้เกิดขนลุกเสมอไปขอให้มันนิ่งให้มันสงบก็ใช้ได้ คำถามจากคุณสุรีทิพย์ค่ะกราบนามส ก, การท่านพระอาจารย์เพื่อนเสียชีวิตแล้วมีคนที่มีเซนมาบอกว่าเขาไปอยู่ในชั้นผ้าขาวเราจะทำบุญอุทิศให้เขาจะได้รับหรือเปล่าเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันถ้าเขาไม่มารอรับก็ไม่รับถ้าเขาอยู่ชั้นไหนก็บางทีเขาไม่จำเป็นจะต้องมารับเขาก็ไม่มารับนะครัถามจากคุณซื่อสัตร์ค่ะ เวลาอุทิศบุญผู้ที่จะได้รับบุญต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นเปรตเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะเหตุใดเจ้าคะก็เพราะว่าเวลามีชีวิตอยู่ไม่ทําบุญนะทําแต่บาปโลภแทนที่อยากจะเอาเงินไปทําบุญกับโลภอยากได้มากกว่าอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วบางทีก็ต้องไปขโมยเพื่อให้มันได้เพิ่มมากขึ้นทําบาปด้วยความโลภก็จะทาให้ไปเป็นเปรต คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราชอบทำบุญทำทานและบุญทานนั้นจะพอลบล้างผลกรรมเก่าที่เรากาลังเผชิญอยู่ได้หรือไม่คะ อ, อ๋อลล้างไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอาจจะต้านมันไว้ก่อนคือถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญจะแสดงผลก่อนก่อนบาปแต่ไปลบล้างบาปไม่ได้ ถ้าเราทําบุญมากๆกบาปก็กําลังน้อยกว่าบาปก็เลยแสดงผลไม่ได้ต้องรอให้บุญแสดงผลก่อนจนกว่าบุญจะน้อยกว่าบาปบาปถึงจะกลับมาแสดงผลต่อได้อย่งางนั้นตอนนี้เรามีความทุกข์มากรีบทําบุญไปเยอะๆเดี๋ยวถ้าบุญเราเยอะกว่าบาปความทุกข์ต่างๆก็จะเบาบางหายไปแตมมม่มันไม่หมดเพียงแต่ว่ามันหยุดแสดงผลเอ บาปมันหยุดแสดงผลเพื่อให้บุญได้แสดงผล แ, แทนเพราะบุญมีกำลังมากกว่าถ้าตอนนี้บาปมีกำลังมากกว่ามันก็เลยแสดงผลอยู่คำถามจากคุณฟูค่ะถ้าเราทำบุญบริจาคโลหิตบริจาคทรัพย์ แล้วอุทิศกุศลให้สิ่งที่มีชีวิตเพิ่งโดนไฟป่าออสเตรเลียที่ตายแล้วและที่ไม่ตายขอให้รอดพ้นอย่างนี้บุญจะถึงเขาหรือไม่ครับถ้าตายแล้วก็ถึงถ้าเขารอรับอยู่ส่วนที่มีชีวิตอยู่เขายังเขายังหาความสุขเอ ง, เองได้อยู่หาได้มากกว่าที่เราจะส่งไปให้เขาดังนั้นเขาก็ไม่มารอรับบุญของเรา เขาก็ไปหาความสุขของเขาหาบุญของเขาเองได้คำถามจากคุณภัยทูรค่ะการภาวนาขั้นเริ่มแรกควรกำหนดเวลาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือไม่คะไม่กำหนดได้แล้วดีทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่นเดียวเราจะประมาทเวลาไปสมัครงานเราไปกำหนดเงินเดือนหรือเปล่า่าขอน้อยๆเอาแค่พันสองพัน แล้วแต่เขาจะให้ใช่ไหมเขาจะจ่ายเท่าไหร่เราก็ยินดีการปฏิบัติตก็เหมือนกันเรานั่งได้เท่าไหร่ปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็เอามันให้มันเต็มที่เรื่องอะไรไปเอาครึ่งเดียวอนั่งได้ชั่วโมงกับเอาแค่สิบนาทนะีทาไมในเมื่อได้ชั่วโมงก็เอามันชั่วโมงไว้เก็ไม่ต้องไปกำหนดเวลากำหนดความสามารถทำตามความสามารถนั่งได้นานเท่าไหร่นั่งไปปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ปฏิบัตไิไป เอาให้มันเต็มที่ถ้าเป็นรถก็เหยียบมันสุดคันเร่งเลยติดพื้นไปเลยมันจะวิ่งได้เร็วชา้าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเอามันเต็มที่ไปเลยคำถามฝากถามค่ะบางทีได้กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตายพอนึกได้ก็แผ่เมตตากลิ่นก็หายหมายถึงอะไรเจ้าคะก็ไม่หมายแล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณว่านะเว <laughs> <laughs> จะหมายอะไรกันมันก็กลิ่นมากลิ่นหายออ คำถามฝากถามเจ้าค่ะอากาศร้อนถอดเสื้อสวดมนต์ไหว้พระได้หรือไม่ครับได้ถ้าอยู่คนเดียวถ้าไม่ได้ไปอยู่ในที่สาธารณะที่ที่เป็นคนอื่นก็เห็นถ้าถ้าอยู่ในที่สาธารณะก็ต้องเรียบร้อยแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวในห้องก็ไม่เป็นปนัญหาอเลย คำถามจากคุณรัชพลค่ะกลาบนามัส ก, การพระอาจารย์ครับตั้งแต่เข้าสมาธิได้จะวางเฉยได้มากขึ้นแล้วทดลองตัดความอยากอยาก่างอยากกินนั่นอยากกินนี่ผมจะลองสอนใจว่ามันเป็นอนิจจังเดี๋ยวความอยากก็หายไปแล้วมันก็หายไปจริงๆครับอยู่ในอารมณ์เฉยๆนี่คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องใช่หรือไม่ครับ ถูกต้องแล้วขั้นต้นต้องทำให้ใจเฉยๆให้ก่อนแล้วพอเกิดความอยากก็สอนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เราก็จะฝืนความอยากได้คำถามจากคุณไข่มุกค่ะเวลาทำสมาธิบางทีก็พุทโธบางทีจิตก็เปลี่ยนเป็นดูลมสลับกับพุทโธแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ถ้ามันได้ผลก็ถูกต้องนะ ถ้าทำแล้วจิตสงบก็ถูกต้องตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วนะ cade. ถ้าสลับไปก็ไม่ก็ไม่สงบเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ก็ไม่สงบไอ้ตัวนั้นก็ไม่สงบอันนี้มันก็มันก็ต้องลองเอาตัวใดตัวหนึ่งเวลาทำตอนที่ทาตอนที่นั่งเนี่ยควรจะเอาตัวใดตัวหนึ่งถ้าตัวนี้ไม่ได้เอาอีตัวหนึ่งแล้วถ้ายังไม่ได้กลับมาอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้เรื่อง มันต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งแต่บางทีตอนต้นอาจจะใช้พุโทโธก่อนแล้วพอไปถึงระยะหนึ่งรู้สึกว่าหยุดพุโทโธได้ดูลมได้ก็เปลี่ยนได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุมีผล่ะถ้าจะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนตามอารมณ์ตามความรู้สึกนึกคิดให้ดูตามผลที่จะตามมาฉะนั้นก็คิดว่าพอสมควรก่เวลา